กับอันเนี้ยมันคล้ายกันมันเหมือนกันบ้างั้เดอะก็ผมก็เดินไปเดินมาเดินมานมาก็ดู่อ๋อไอ้ไตรักนี่มันเป็นอย่างนี้เองพอเดินไปผ่านไป ผ, ผ่านมาผ่านมาไอ้เงาเนี่ยเนี่ยดูที่เงาเนี่ยเนี่ยเงาผ่านไปผ่านมาเงาเนี่ยมันจะเริ่มพอผ่านไปแล้วก็ผ่านมา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 แต่จิตเอามาใช้กาจิตภาษาจิตว่าสว่างหรือมืดแต่เราไปจัดการที่ตัวรูปมันมีแต่คำว่าหนักกว่าเบาสบายไม่สบายไม่มีคำว่าสว่างหรือมืดพอมาใช้อาการของจิตมมนใช่คำว่าสว่างหรือมืดทีคื อ, คอรู้หรือไม่รู้ร่างกายมันไม่มีคำว่ารู้หรือไม่รู้มีแต่สบายหรือไม่สบายดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต